บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่ายายัติธรรมทามายะเพื่อบรรลุสิ่งที่เรียกว่ายายาธรรม กรรมยายธรรมนั้นได้กล่าวมาในวันก่อนว่านัยหนึ่งต้นหมายโอกาสปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งอันที่จริงแล้วหลักปฏิจจสมุปบาทกับหลักอริยสัจสี่และแม้แต่หลักจงใจสิกขาก็เป็นหลักอันเดียวกันเป็นแต่วิธีการแสดงโดยนัยที่แตกต่างกันเท่านั้น เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันปฏิจาสมุบบาทมีวัข้อใหญ่ที่สำคัญอยู่ก็คืออวิชชาเป็นลักษณะของความมืดบอดที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลลักษณะของอวิชชาจึงเหมือนกับ ผนังกำแพงที่ใหญ่ซึ่งปิดกั้นบุคคลเอาไว้ไม่มองเห็นไปด้านนอกการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจึงมีจุดรวมกันที่การทำลายอาวิชชาในระดับนั้นๆไม่ว่าจะเป็นชั้นศีลธรรมจัญญาธรรมดาธรรมดาก็เป็นเรื่องของการขาจัดอวิชชาในระดับหนึ่ง คือความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลให้ออกไปกลายเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลในการดำรงชีวิตนี่ก็ชื่อว่าเป็นการขาจัดความมืดปอดของวิชาให้เจือจางลงไปในระดับหนึ่งและการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้นไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งก็คือทาลายกําแพงอวิชาได้เด็ดขาดลงไป กลายเป็นความสว่างที่สมบูรณ์เติมที่ดังนั้นเรื่องของอวิชชาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องขจัดด้วยสิ่งที่เรียกวิญญาณหรือปัญญาหรือวิชาหรือแสงสว่างที่มีความหมายตรงกันข้ามกับวิชาคือความมืดอวิชาจึงทรงจําแนกแสดงไว้โดยหลักแล้วก็มีอยู่8ปประการด้วยกันคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัย ไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคสีประการนี้กล่าวโดยสรุปก็คือไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระจายความไม่รู้ออกไปโดยในยะถึง8ปประการนั้นเมื่อกล่าวถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้ว เพียงแต่บุคคลปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามหลักที่ทรงแสดงไว้ก็จะกระจัดความไม่รู้เหล่านั้นได้หมดสิ้นไปมันเหมือนกับของที่อยู่ในห้องมืดซึ่งก็มีหลายอย่างใครก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นสักอย่างเดียวแต่เมื่อบุคคลจุดประทีปขึ้นประทีปก็จะทำหน้าที่กระจัดความมืดแล้วสิ่งที่บอกว่าไม่เห็นนั้นก็จะเกิดเหตุขึ้น จะเห็นเลยขึ้นไปกว่านั้นคือสิ่งที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นก็จะเห็นตามไปด้วยชันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจุดประสงค์จริงๆนั้นก็คือรู้อริยสัจทั้ง4ประการแต่เมื่อรู้อริยสัจทั้ง4ประการแล้วก็ชื่อว่าเป็นการรู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทตามไปด้วยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเลือกจึงกัน เหมือนของมืดที่วางไว้ในห้องเดียวกันเวลาแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะเห็นไปหมดทั้งห้องฉะนั้นในชั้นของการเกิดนั้นได้ทรงแสดงว่าพระวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารคำวมาสังขารคืออะไรสังขารเป็นคําที่ใช้มากในภาษาศาสนาก็ขึ้นอยู่กับว่าไปพบในที่ใด เราต้องรู้ถึงความหมายที่แสดงไว้ในที่นั้นบางครั้งจึงแปลว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งบางครั้งแปลว่าของผสมบางครั้งแปลว่าสิ่งที่เข้าไปปรุงแต่งหรือปนเปื้อนซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าสังขาร น, นั้นแต่ละอย่างจะมีองค์ประกอบย่อยอยู่เป็นนันมากเช่นว่าต้นไม้ก็เป็นสังขาร แต่ในความเป็นต้นไม้ก็ Ganz, มีเครื่องประกอบอีกเป็นนันมากจึงจะเรียกว่าเป็นต้นไม้ได้คนก็เป็นสังขารแต่ในความคำว่าคนานั้นก็มีเครื่องประกอบอยู่เป็นนันมากจึงได้เรียกว่าสังขารหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของคนเราก็เรียกว่าสังขารแต่กว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้ก็มีองค์ประกอบอีกเป็นนันมากเช่นเดียวกันสังขารในที่นี้จึงมีความหมายอยู่สองในยัด้วยกัน ในยาแรกนั้นหมายถึงกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ปรนปลือหล่อเลี้ยงรักษาบุคคลเรานั้นเอาไว้สิ่งที่เรียกว่ากายสังขารก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่มีความสาคัญมาก วันใดที่ขาดลมความมีชีวิตก็หมดสิ้นไปลมหายใจจึงชื่อว่ากายสังขารคือเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงบำรุงรักษาร่างกายของบุคคลเอาไว้วจีสังขาร น, นั้นหมายถึงความนึกคิดหรือที่ใช้ภาษาบาลีว่าวิตกวิจาร์จึงอาจจะเราเราอาจจะใช้คำไทยในความหมายอย่างอื่นอีกเป็นอันมากเช่นพินิษ์พิจารณาใจจองตรีองตรึกนึก ซึ่งก็เป็นเรื่องอันเดียวกันได้แก่การที่บุคคลคิดแล้วจึงพูดคำพูดนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากสังขารคือความนึกคิดแต่ในขณะเดียวกันเพิงสังเกตว่าบุคคลบางคนพูดโดยไม่คิดก็จะมีความพลั้งพลาดขึ้นหรือคิดไม่ทันบางคราวไม่มีความคิดหลงอยู่เลยเช่นว่าอาการของคนละเมอเป็นต้นก็เป็นคาพูดที่ไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีการสืบต่อที่เป็นถ้อยกระทงความสามารถที่จะสื่อความหมายกันให้เข้าใจได้วิตรงวิจารณ์คือความตึกนึกหรือความนึกความคิดจึงชื่อว่าเป็นวิจีสังขารคือสิ่งที่ปรนปลื้อให้พูดถูกพูดในเรื่องได้ราวได้ข้อถ้อยกระทงความต่างๆ แ, และจิตตสังขารคือสิ่งที่ปลนปลื้ อ, ป ร, อปรุงแต่งจิตของบุคคล ได้แก่สิ่งที่เราเรียกว่าความจาหรือความรู้สึกสุขทุกข์ที่ได้แก่เวทนานั่นเองสรุปว่าสัญญากับเวทนาคือความทรงจำและความ ส, วสุขทุกข์เป็นตัวปรุงแต่งจิตของของบุคคลให้ลองสังเกตว่าเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามจะคิดได้เฉพาะสิ่งที่เคยผ่านมาทางประสาทสัมผัสเท่านั้นช่นเคยเห็น ด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายตลอดทึ้งตึกนึกด้วยใจและรู้ความดีความงามของสิ่งเหล่านั้นด้วยรู้ความสุขความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นสมมติว่าบุคคลจะคิดถึงไฟก็มองไฟได้ตลอดสายว่ามีลักษณะอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นมีผลอย่างนั้นถ้าน้อยจะเป็นอย่างนั้นถ้ามากจะเป็นอย่างนั้นนี่อาศัยอะไรอาศัยความจา และสิ่งที่ตนสวยเวทนามาแต่ถ้าหากว่าภาพเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือไม่เคยผ่านพบมาในชีวิตของตนก็ไม่สามารถที่จะนึกเรื่องเหล่านั้นได้ทำนองเดียวกับคนตาบอดจะให้นึกถึงความแตกต่างกันระหว่างสีขาวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นนึกยังไงแกก็นึกไม่ออกเพราะแกไม่เคยพบสีเลยแม้แตกสีเดียวนอกจากความมืด คือแม้แต่สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเช่นสัตว์บางชนิดที่มีคนเขาพูดถึงกันแต่เรานำมาคิดต่อไม่ได้คือคิดให้ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่ได้เพราะเราไม่สัมผัสม า, มาด้วยตาของตนเองในกรณีที่เป็นรูปดังนั้นสัญญากับเวทนาได้แก่ความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นความจำในเรื่องอดีตและเวทนาคือความสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่จะทุกข์ไม่จะสุขก็ดีเหล่านี้ชื่อว่าสังขาร น, นี่อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั้นท่านพูดในแง่ของภาวะจักคือการที่จะนำไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เ น, น้นไปที่ตัวผลของสังขารที่กล่าวมาแล้วคือผลของการกระทำผลของคำพูดและผลของความคิดทั้งดีและไม่ดีของบุคคล ท่านเรียกโดยความหมายหนึ่งว่าอภิสังขารซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างยิ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกภาษาบาลีว่าปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญได้แก่กุศลธรรมความดีต่างๆที่บุคคลมีเจตนากระทำลงไป โลยกายก็ตามด้วยวาจา ก, ก็ตามด้วยใจก็ตามแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจของบุคคลอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญซึ่งในชั้นของบุญนั้นจะมีความประนีดขึ้นไปโดยลาดับเห็นได้ว่าการให้ทานเป็นบุญเบื้องต้นรักษาศีลก็เป็นบุญที่ระนีดขึ้นสูงขึ้นเพราะละกิเลสได้มากขึ้นจเจริญภาวนายิ่งระณีตมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้น จะสรุปแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือบุญที่มีที่บุคคลปรุงแต่งขึ้นด้วยเจตนาคือการกระทําของตนออกมาทางกายวาจาใจนต่างๆแล้วก็เก็บสะสมไว้ในจิตสันดานบางครั้งท่าใช้คําว่าจิตสันดานคือบางทีมันเก็บอยู่ลึกมากจนบุคคลเองก็สังเกตไม่ได้เพราะนั้นคือผลบุญผลบาปผลความดีความชั่วของตน ประการต่อไปก็คืออปุญญาพิสังขารพูดง่ายๆว่าคือบาปได้แก่ผลของความชั่วต่างๆที่บุคคลกระทำด้วยายทวารดังกล่าวแล้วเหมือนกันแต่กเก็บสะสมไว้าภายในใจาะ ใ, ใจของคนจะเห็นจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันว่ามีมการต่อสู้กันอยู่ระหว่างบุญกับบาปถึงตามปกติแล้วสามัญชนก็มีแค่นี้ที่ระหว่างบุญกับบาปเท่านั้น ที่จะมีการต่อสู้กันบางขณะบาปมีกำลังแก่กร้าก็ทำให้บุญมีกำลังน้อยลงท่วมทับจิตใจของบุคคลทำให้พูดผิดทำผิดคิดผิดออกไปด้วยประการต่างๆถ้าดูง่ายๆก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งหนึ่งที่วางอยู่ใกล้โครนตรง แต่ในขณะเดียวกันมันก็ใกล้ น, ล น, น้ําด้วยวันไหนที่น้ําขึ้นสูงน้ําก็ขึ้นชะล้างโครนตรมที่แปดเปื้อนอยู่ในที่นั้นให้สะอาดขึ้นแต่วันใดน้ําต่ำลงไปโครนตรมก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นแปดเปื้อนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือเปลี่ยนแปลงกันไปตามอำนาจบุญบาปหรืออํานาจของความดีความชั่วที่เกิดขึ้นภายในใจตั้งตน เขามาปรุงแต่งใจของตอนให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยประการนั้นนั้นคือตามแรงของสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งบุญบาปจึงมีลักษณะเหมือนกับสีต่างๆคือมันเป็นของของมันอย่างที่มันเป็นเช่นสีดําสีขาวสีแดงคือมันดําขาวแดงด้วยตัวของมันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรก็ทําให้สิ่งนั้นดําแดงขาวตามไปด้วยอีกประการหนึ่งนั้น เป็นประเภทบุญเหมือนกันแต่ถือว่าบุญชั้นสูงสุดสำหรับชาวโลกหรือชั้นสามัญชนได้แก่ผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตตามหลักของสมถกรรมฐานที่เดินไปโดยลำดับจนถึงบรรลุรูปใบฌานและอารูปใบฌานท่านเรียกว่าอนเนนชาคือไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวอย่างไรหมายความว่าท่านเหล่านั้นจะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ของโลกในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และจะไม่หวั่นไหวด้วยพบชาติหลังจากท่านตายไปแล้วคือจะต้องบังเกิดในอรูปพรหมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ไปในชื่ออื่นเลยแต่สิ่งทั้ง3ประการนี้พึงสังเกตว่าที่จริงมันก็คือสังขารที่กล่าวแล้วในตอนต้นคือกายจะสังขารวจีสังขารและจิตต์สังขารสังขารสมอย่างนี้เป็นการพูดถึงส่วนเหตุแต่สังขารที่ตอนหลังนั้น3มประการเป็นการพูดถึงผล ที่เกิดขึ้นจากเจตนานบุคคลกระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจในประสูตรและในอัตถกถาเองก็อธิบายอยู่สองแนวอย่างนี้ซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าบุคคลขาดการพินิษพิจารณาใล้ายๆจะมีการขัดแย้งกันแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละช่วงของความคิดเท่านั้นเองช่วงหนึ่งเป็นการพูดถึงเหตุช่วงหนึ่งเป็นการพูดถึงผล สิ่งทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อก่าวโดยสำนวนธรรมดาก็เกิดวิชาก็ได้แก่กิเลสสังขารก็ได้แก่กรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้ดังที่ทรงอุปมาแสดงไว้ในประสูน ต, ต, ต่างๆซึ่งนำมาเผยแพร่ ก, กันมากจริงๆก็คือในมหาตันหาสังกัจจสุที่ทรงแสดงว่าองค์ประกอบของชีวิต ที่ทำให้ชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนั้นก็คือกรมังเขตตังมีกรรมเป็นพื้นดินหรืออุณหภูมิที่อำนวยให้พืชนั้นงอกได้วิญญาณังบีชางมีวิญญาณเป็นหน่อของพืชตันหาสิเนหังมีตันหาคือสับปะเกลสทั้งหลายนั้นเหมือนกระยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชชีวิตของบุคคลจึงอาจจะอุปมาง่ายๆว่ามันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่มีลูกสุกก็หล่นลงมาอยู่ที่พื้นดินบรรด า, มาเมล็ดพืชเหล่านั้นถ้ามีองค์ประกอบครบสามอย่างแกก็งอกสืบพืช พ, พันธุ์กันไปเรื่อยๆอย่างบรรดาพืชพันธุ์ธัญชาทั้งหลายในโลกนี้เราก็ไม่รู้ไอ้ต้นเดิมจริงๆนั้นเกิดมาเมื่อไหร่แล้วเกิดมาโดยวิธีอย่างไรแต่ก็มีการสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ แต่กเมล็ดพืชในลําต้นแต่ละต้นมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ปลูกแล้วเป็นกอกสมรับิเมล็ดนั้นก็ขาดพืชขาดผพันไปแต่เมล็ดที่ยังปลูกงอกก็สืบพืชพันุ์กันต่อมาอย่างนี้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านผู้ใดสามารถทําลายกิเลสคือวิชาให้หมดไปสิ้นปายได้กรรมก็ชื่อประหมดสิ้นมันเหมือนกับเมล็ดพืชที่ ยางเหนียวนั้นได้แห้งกรอบหมดแล้วแม้จะไปได้ปุ๋ยได้น้ําได้ดินที่ดีพิเศษอย่างไรก็ตามสมรัติเมล็ดนั้นก็ปลูกไม่งอกบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าทํากิกเลสหมดทิ้นไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคือจะไม่บังเกิดในภพชาติอีกต่อไปในกลุ่มนี้กลุ่มสองอย่างนี้จึงทรงเรียกว่าอาดีตเหตุคือเหตุในอดีตเป็นการสืบเนื่องกันมาโดยลําดับ ในการสืบเนื่องนั้นอวิชามากบ้างน้อยบ้างบุญบาปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าอะไรมากอะไรน้อยสิ่งที่มากไปด้วยความดีท่านเรียกว่าบารมีคือถ้ามากไปร่ด้วยบุญท่านก็เรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ถ้ามากไปด้วยความชั่วบาปอากุศลคือพวกสังขารทั้งกล่าวแล้วท่านก็เรียกว่าอาสวะคือเก็บหมักหมมเอาไว้ ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้านั้นทรงมีบารมีมากท่วมท้นแต่ในขณะเดียวกันอาสวะก็มีคือตกตะกอนอยู่ภายในเวลาบำเพ็ญเพียรจนจัดสรุจึงต้องบรรลุอาสวะขยานคือพระยานที่ทำอาสวะได้แก่กิเลส ท, ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปแต่ปัจจัยที่ทำให้พระองค์สามารถบรรลุได้ก็คือปริมาณของบารมีนั้นสูงก็คล้ายๆกับว่าปริมาณน้าใสนั้นสูง สามารถที่จะสลายความคุค้นข้นซึ่งอยู่ค้นภาชนะได้เมื่อทั้งสองประการนี้ยังมีอยู่ก็ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณในตอนต่อไปยังทรงสแสดงว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีสังขารวิญญาณก็ไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันสังขารก็เกิดมาจากอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาสังขารก็ไม่เกิดสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ คำว่าวิญญาณ น, นั้นโดยความหมายทั่วไปก็หมายสองในยะเหมือนกันถ้าพูดโดยภาษาธรรมดาธรรมดาไม่พูดในแง่ของสังสารวัตก็หมายถึงวิญญาณทั้งหกได้แก่ความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเรียกเป็นภาษาบาลีว่าจากักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูคาณนะวิญญาณความรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้น กายวิญญาณความรู้ทางกายมะโนวิญญาณความรู้ทางใจแต่ถ้าพูดในแง่ของสังสารวัฏ ต, ตัววิญญาณตัวนี้ก็คือปฏิสนธิวิญญาณได้แก่จิตซึ่งประกอบด้วยกิเลสกับกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชมาบวกกับอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งมเม ล, ล็ดพืช น, นั้นได้ ก็ก่อให้เกิดเป็นหน่อขึ้นภายในตัวมเมล็ดพืชนั้นเองก็เป็นนั้นว่ากลายเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกับชีวิตก็กลายเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มเป็นชีวิตขึ้นมาก็ทรงเรียงในลำดับต่อไปว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปคําว่านามารูปโดยสรุปก็คือรูปร่างกายเช่นตัวอย่างว่าเกิดในครันก็คือตัวร่างกายซึ่งเป็นจุด ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิมาแล้วเริ่มเป็นจุดน้าใสเล็กๆอยู่ภายในคันมัรดาส่วนน้านั้นก็คือพวกที่เรารู้ด้วยใจเป็นพวกเวทนาเป็นพวกสัญญาเป็นพวกสังขารเป็นต้นก็ตกลงว่าเป็นรูปของชีวิตคือมีทั้งกายและจิตดงงูง่ายๆก็คือกายกับจิต มีกายกรจีก็มีการเจริญเติบโตสมมติว่าเกิดในคันก็เจริญเติบโตมาโดยลําดับจึงเกิดช่วงในตอนต่อไปที่ทรงแสดงว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะโดยการแสดงที่พิสดาร น, นั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอินทกะสูตรในส่วนรูปพฤติธรรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสัตว์ที่เกิดในคันเปลี่ยนแปลงโดยรูปร่างมาโดยลําดับ จนแยกออกมาเป็นปันจะสาขาคือเป็นห้าแฉกก่อนแล้วต่อแต่นั้นรูปร่างนั้นก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็มีอาณาจักปรากฏขึ้นชัดเจนซึ่งว่าที่จริงสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่เก็บอยู่ในมเมล็ดพืชมเมล็ดพืชนั้นได้เก็บดอกเก็บใบเก็บผลเก็บอะไรของต้นพืชเอาไว้เป็นอันมากแต่เราก็ไม่เห็นในขณะนั้นเพราะอะไรเพราะขาดกาละกับปัจจัยสนับสนุน การเวลากับปัจจัยสนับสนุนเมื่อการเวลาผ่านไปได้ปัจจัยสนับสนุนมากพอแกก็พร้อมที่จะแตกใบแตกเปลือกแตกกิ่งแตกดอกแตกผลออกมาโดยลําดับชีวิตของบุคคลเราในด้านร่างกายและจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือรอคอยกาละกับปัจจัยสนับสนุนก็่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเมื่อมีอายตนะซึ่งก็หมายถึงว่าออกมาจากคันเข้ามาอันดาเรียบร้อยไปแล้ว ก็ต้องมีการเห็นรูปฟังเสียงรงกรลิ่นริมรสเป็นต้นจึงทรงแสดงในตอนต่อไปว่าเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะคือการกระทบได้แก่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นดังกล่าวเกิดการกระทบขึ้นมาเมื่อกระทบขึ้นมาก็เกิดเวทนาเพราะใจจะไปกําหนดว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีก็เกิดสุขเวทนาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาถ้าใจไม่รู้สึกอะไรก็เฉยเฉยไปที่เรียกว่าอทาุกขกรรมสุขเวทนา คือไม่ถึงก็สุขกระทุกอะไรจึงทรงแสดงในช่วงต่อไปว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากตัววิญญาณมาถึงเวทนาก็คือชีวิตของคนเราแต่ละคนนั่นเองเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถกันอยู่เกิดเวทนากันอยู่เป็นประจำเวทนานั้นเกิดขึ้นมาหลังจากการตัดสินใจของเรา ถ้าชอบก็เกิดสุขถ้าไม่ชอบก็เกิดชังชังก่อนแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาในสุดมันก็เป็นตัณหาคือถ้าที่ชอบก็อยากให้อยู่ให้มีให้เป็นให้อยู่กับตนอยู่ด้วยไปถ้าไม่ชอบก็ต้องการจะให้พินาศให้ทำลายให้แตกสลายไปดังนั้นยังทรงแสดงว่าพระเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาทีนี้เมื่อมีความอยาก มีการสแสวงหาฝ่ายคว้าจนได้มาถือครองมันก็มีอุปาทานคือความยึดความยึดว่าเป็นของเราด้วยอำนาจความใคร่ความพอใจในสิ่งนั้นบางครั้งบางคราวก็ยึดถือด้วยอำนาจความคิดความเห็นของตนยึดถือว่าตนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ยึดถือในรูปแบบต่างๆเป็นตน้นก็สรุปว่าเกิดขึ้นมาจากตัณหา แล้วก่อให้เกิดความยึดถือก็เป็นนั้นว่าปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้นเพราะตัญหาคืออาการทะเยอทะยานอยากของใจเริ่ปราถานความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นกลุ่มกิเลสเป็นการบวกกิเลสขึ้นมาอีกต่อห น, นึ่งต่อไปก็จะเกิดเป็นภพคือหลังจากตายไปก็ต้องก่อให้เกิดภพขึ้นมาอีกเรภพก็เป็นชาติมันก็หมุนขึ้นเป็นวัฏจักร สรุปว่าตราบใดที่บุคคลไม่สามารถทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสได้จากนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็มีอยู่ตราบนั้นแต่วดังที่กล่าวมาแล้วว่าอาวิชชานั้นก็เหมือนกับกำแพงใหญ่ที่ปิดกั้นบุคคลเอาไว้ไม่ให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งด้านนอกการปฏิบัติธรรมะในทางลพุทธศาสนาก็คือเพื่อยาเยคือเพื่อความรู้ ปฏิจจสมุปบาทเป็นความรู้ระดับที่เราเรียกว่าญาณคือเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลเมื่อเกิดผุดขึ้นแล้วก็จะทำลายผนังคือกาแพงเหล่านั้นเมื่อทำลายกาแพงนั้นขบวนการทั้งหลายก็พังลงไปเกิดเป็นยญาณความรู้คือเกิดเป็นอีกภากหนึ่งขึ้นมาคล้ายๆกับห้องมืดโดยนิยาที่กล่าวในตอนต้นพอเกิดแสงสว่างขึ้นมันก็เกิดภาพอีกด้านหนึ่งขึ้นมา เป็นภาพที่ของความสว่างที่มองเห็นทุกทิศทางได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจิตใจของบุคคลก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าวิชาคือความรู้อย่างที่พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านรู้นี่ก็คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติตามหลักปฏิจจสมุปบาทอีกชั้นหนึ่งซึ่งในการปฏิบัตินั้นพิงเข้าใจว่าก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้น ความสว่างความรู้เหตุรู้ผลพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลก็เกิดขึ้นโดยลำดับทมให้สามารถควบคุมทิศทางความคิดและการกระทำของตนให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นประโยชน์เพื่อกูลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นตามสมควรแก่ชั้นแห่งธรรมะที่บุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัตจิจนสัมผัสผลในระดับนั้นๆในชั้นนั้นๆต่อแต่นี้ไป เขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป